คำสอนคือตรงกันข้ามกับสังขารรู้จักสังขารพอไหมเขาบอกว่าแม้แต่สังขารการทำปริญญาในสังขารก็ยังเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งการที่จะแทงตลอดพระนิพพานนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเสยอีกเนี่ยนะเั้นในช่วงนี้ก็คงพักตรงอาทีนวายานไว้ก่อนเปิดตำราดูทักนิดเอออีกสองหน้าเองนะอันนี้พอพอ ข้อความในวิสุทธิมรรคหน้าสองร้อยสามสิบต่อเลยนะพูดถึงนิพพานุปาานัสสนาญาณนิพพานี่โดยศัพท์ก็แปลว่าเบื่อนะอะอ น, นุปัสสนาก็คือตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริงไม่ใช่หน้าเบื่อหน่ายมันต้องเห็นวนะ่าเบื่อจริงๆเลยนะไม่ใช่หน้านะถ้าน่าเฉยๆแปลว่ายังไม่เบื่อใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเบื่อจริงๆเลยแหละ พระโยคาวจรนั้นเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงว่ามีแต่โทษอยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายอะ น, นั้นก็โทษมันมีโดยประการทั้งปวงโทษของสังขา น, นี่มีมากจริงๆเราคิดดูนะได้ยินว่าข่าวใดที่เสียหายในโลกนี้ปัญหาสรารพัดที่เกิดในโลกนี้มันเกิดจากสังขารทั้งนั้นแหละใช่มถ้าไม่มีสังขารพิษภัยโทษภัยเหล่านั้นจะมีไหมถ้าไม่มี ส, ง, สงครามจะมีไหม ถ้าไม่มีสังขารความแก่และความตายจักมีไหมอันนะั้ถ้าไม่มีสังขารโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นจักมีไหมเพราะฉะนั้นโทษของสังขาร น, นี่มีมากจริงๆมีแต่โทษพอเห็นโทษเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆก็ชักลดอความเพลิดเพลินก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมมันเริ่มผลักออกแล้วแม่เหล็กมันคนละขั้วแลนะ้วใ่ไหขั้วแรกสูบเอาสูบเอาขั้วหลังมาผลักเอาผลักเอาเนี่ยนะก็เลยเป็นลักษณะเบื่อหน่ายเอือมระอา ไม่อภิรมยินดีอภิรม์แปลว่ารัมมะแปลว่ายินดีอย่างยิ่งอภิแปลว่ายิ่งอเข้าไปอะไรนะเข้าไปยินดีอย่างยิ่งอันนี้ตรงกันข้ามยินดีอย่างยิ่งคืออะไรดีดกลับเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ก็เหมือนกับประเภทอะไรนะถ้าเป็นสามีภรรยาที่กําลังหยางกันเนี่ยนะลักษณะแบบนั้น่ไม่เอาแล้วแม่แต่มองหน้ากันยังไม่ค่อยมองเลยอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตรงกันกลับหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ยินดีในสังขาร ที่มีแต่ความแตกทําลายไปไม่รู้จะไปยินดีทนะําไมอ่ะเนี่ยนั่งยิ้มเลยคนนั้นก็ตายแล้วมีความสุขมากกันนะมีไหมญาติเราคนที่หนึ่งก็ตายแล้วยิ้มแป้นะนี่ยถ้าไม่ใช่มีศึกชิงมรดกเข้ามาเนี่ยโดยมากก็ไม่สนุกเลยนะสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงๆดงั้นเราเห็นสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่แตกทําลายไปเนะี่ย อย่างเช่นสังขารภายในเนี่ยเดี๋ยวตาก็ทําลายแล้วหูก็แตกทําลายจมูกก็แตกทําลายจริงๆถ้าใครที่เรียนอะ่ะพี่ทำมาจริงๆอ่ะตาก็แตกทําลายทุกอนุขณะ จ, จิต น, นะหูก็แตกทําลายทุกอนุขณา จ, จิตจมูกลิ้นกายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วแตกทําลายทุกอนุขณะ จ, จ, จิตแต่นิจจาแบบวิปลาสของเราเราก็บอกว่ามันคงเดิมคงทนคงเดิมคงทนคงเดิมคงทน เนื่องจากว่าเราคิดอะไรแต่มันใกล้ๆแต่ถ้าเอาไกลๆมาเปรียบกันดูนะอย่างปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเหมือนกันอยู่หรื อ, อนะไม่เหมือนเลยใช่ไหมคออุณรพสแล้วเนี่ยนะอันถ้าเห็นแต่ความแตกทำลายไปก็จะเริ่มเอื่อมระอาเพราะชีวิตคบคลุกคลีอยู่แก่กับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยนะพอเห็นแต่ความแตกทาลายสังข า, ารในภพสามกามมาภพก็แตกทาลาย รูปประพบก็แตกทำลายอารูปประพบก็แตกทำลายถ้าอย่างเชยกตัวอย่างกามปรพบเนี่ยนะคนเราเนี่ยประยังโลกเนี่ยมีประมาณหกพันห้าหกพันล้านคนเนี่ยตายและเฉลี่ยนาทีละอวินาทีหนึ่งคนได้ไหมสรุปว่าตอนนี้นะจุติทุกวินาทีไหมจริงๆแล้ววินาทีหนึ่งหลายคนหลายคนบางวินาทีนี่มีเป็นพัน เนี่ยตอนที่เรานั่งฟังอันนี่้ขอมาพูดหนึ่งคำนะตายไปแล้วหนึ่งคนอย่างน้อยทุกคําทุกคําทุกคํามันหนึ่งเนี่ยตายเท่าไหร่คิดดูเพราะะฉประชากรทั้งโลกนี่ห้าหกพันล้านเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับเดรชานด้วยนะเดรชานเนี่ยวินาทีนี้ตายกี่พันล้านตัวไก่ตายเท่าไหร่หมูตายเท่าไหร่เป็ดตายเท่าไหร่แมลงตายเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยะแต่ละวินาทีเนี่ยแล้วจุติไอ้พวกที่ปฏิสนธิในนรกมันเท่าไหร่แล้วมันจุติเท่าไหร่เทวดาสิ้นบุญไปเท่าไหร่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเท่าไหร่เนี่ย ถ้าคำนวณไปพสังขาญในภพสามกา ร, รมาภพรูปประภพอพรูประภพก็มีแต่ความแตกทำลายมีแต่ความเสียหายทําลายไปหรือพวกเกิดในไใข่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเป็นต้นก็มีแต่ความแตกทำลายอย่างชั่วโมงเนี้ยไก่เนี่ยมันฟักกี่ตัว ใช่มันไที่ฟักก็ฟักไปที่ปฏิสนธิก็ปฏิสนธิไปที่ฟองก็ฟองไปที่ออกมาก็ออกไปที่ถูกต้มก็ถูกต้มไปที่ถูกเชื่อดก็ถูกเชื่อดไปที่ถูกถอนขนก็ถอนไปเนี่ยนะก็ก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกำเนิดเกิดในครันเกิดในไข่ที่เกิดในครันเนี่ยนะคลอดนาทีหนึ่งเท่าไรกี่คนมันทุกนาทีนี้ต้องมีคนคลอดเนี่ยนะประชากรทั้งโลกเนี่ยมันต้องคลอด อย่างน้อยวินาทีละคนวินาทีละคนที่ออกมาจากคันออกมาจากคันออกมาจากคันแต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นเนี่ยนะทั่วทั้งโลกเลยนะเพราะพวกคติหรือเกิดในนรกเป็นต้นหรือวิญญาณที่ติรูปต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันหรือที่อยู่ที่แตกต่างกันก็มีแต่ความแตกทำลายไปอยู่ที่ไหนที่สังขาร<ม>ไม่แตกทำลายมีไหมไม่มีเพราะทุกหนทุกแห่งทุกที่ มีแต่แตกทำลายสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเปรียบเหมือนว่าพญาหงทองยินดีอยู่ในที่เชิงเขาจิตกูตรย่อมไม่อภิรมยินดีต่อบ่อน้ำ ส, สกปรกใกล้ประตูบ้านคนจันทานย่อมอภิรมยินดีในสะใหญ่เจ็ดแห่งเท่านั้นฉันใด แม้พญาหงคือพระโยคีนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมไม่อภิรมยินดีอย่างยิ่งในสังขารอันมีความแตกทำลายไปซึ่งมีโทษอันตนได้เห็นทั่วอย่างดีแล้วอย่างชัดเจนเพราะความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความยินดีในภาวนาโดยมีภาวนาเป็นที่มายินดีคือยินดีแต่ในอนุปัสนาเจ็ดเท่านั้นไม่ยินดีในสังขารแต่ยินดีในวิปัสนาเช่น รูปเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่ยินดีในปัญญาที่ไปเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปกติชนทั้งหลายทั่วไปมีความยินดีในรูปเห็นว่ารูปเนี่ยดีเหลือเกินแต่ผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยยินดีในตัวปัญญาที่ไปเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถามว่าทำไมจึงยินดีอย่างนั้นเพราะตัวนี้จะนาเขาออกจากทุกได้ปัินดีที่จะให้ภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะ มากได้เพราะตัวปัญญาเป็นตัวนําออกจากทุกข์เพราะปัญญานี้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเป็นนิยานิกรทธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากวัตทุก์เนี่ยนะเป็นเป็นองค์มัดในบรรดามัดแปดเป็นทางเพื่อเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะก็เลยยินดีแต่ในอนุปัสนาถ้ายินดีในอนุปัสนาอนุปัสนาเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่ายินดีในสัมมาสังกปปะเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่ายินดีใน องมรเพราะองค์มรเหล่านี้เป็นนิยา น, นิกระทัมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกไม่ยินดีในอารมณ์แต่ยินดีในวิปัสนาเหมือนอย่างว่าขับรถผ่านป่าชา้าเนี่ยนะยินดีให้รถวิ่งออกจากป่าช้ามากที่สุดแต่ไม่ยินดีในป่าชา้าเนี่ยนะเพราะเห็นในป่าช้าเนี่ยเนาะอยู่ๆแบบไ ป, ปเหยียบถูกขาผีเด้งขึ้นอย่างนี้จะว่าไงนะทาเป็นกลัวโยมอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่า พญาสีหราชพญาสีหราชก็คือราชสีเนี่ยนะที่เป็นราชาของสัตว์ว่าเป็นผู้ใหญ่แห่งเนื้อถูกขังอยู่แม้ในกรงทองก็หาอภิรมยินดีไม่ดีไหมเขาให้เราเนี่ยเอาเราง่ายๆอยู่ในคุกทองคุกที่เราอยู่นะัทาสีทองหมดเลยอย่างเงี้ยพื้นก็ทองข้างบนก็ทองฝาก็ทอ ง, ทองมีดาวทองห้อยแต่ว่าห้ามออกไปไหน ไม่สนใจนะไม่ต้องพยานเนื้ออะไรนะแค่เราเนี่ยนะให้อยู่เนี่ยให้เป็นม่านทองสีทองหมดห้ามออกจากนี้ห้ามดูอะไรทั้งหมดนะตั้งอันนี้เป็นต้นไปไม่อาแลวนะเพราะอะไรเพราะว่ายินย่อมยินดีแต่ในป่าหิมพานอันกว้างถึงสามพันโยน์เท่านั้นฉันใดแม้ศีหะคือพระโยคีนี้ก็ฉันนั้นหาพีรลมยินดีแมในสุขติพบสามอย่างไม่ไม่ยินดีแมในมนุษย์ในสวรรค์และใน พรมโลกเนี่ยนะไม่ยินดีในสังขารไม่ยินดีในวิบากกรรมชรูปเลยยินดีแต่ในอนุปัสนาสามอย่างเท่านั้นยินดีมีความสุขกับการตามเห็นว่าไม่เที่ยงมีความสุขกับการตามเห็นว่าเป็นทุกมีความสุขกับการตามเห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นมีความสุขกับการเห็นความสิ้นไปได้สาดิษไปหรือเปล่าเนี่ยชอบดูแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้ดี เพราะถ้าไปเห็นว่านิจจังสุขขังอัตาเมื่อไหร่ก็งานนี้ว่าตายาวแน่นะก็เลยมีความสุขกับการเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเห็นว่าเป็นอนิจจังกับแช่งให้มันอนิจจังไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้สาดิษอะไรที่ว่าไม่ใช่เป็นคนวิปริตจิตวิจตฐานอะไรหรอกไม่ใช่มองเห็นใครก็โอ้โหหัวกระจุยมองเห็นบ้านไหนก็บ้านพังทลายไปต่อหน้าต่ตาเขาไม่ได้คิดแบบนั้น แต่หมายถึงว่ายอมรับสภาพเหล่านั้นว่ามีความสิ้นไปมีความน่ากลัวไม่มีสาระไม่มีแกนสารเลยเนี่ยนะอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพญาช้างฉัาดทันซึ่งขท้าเผือกทั้งตัวเป็นช้างสัตตปรดิดเออสัตตปิษฐ์ก็คือมีอวยวิญญาณเจ็ดอย่างถึงเพื้นเจ็ดอย่างมีอะไรงวงงางวงกับงาและสาม้วใช่ไหมเท้าอีก เท้าอีกสี่นะเออจริงๆนะมีมีอย่างเอาใหม่นะหางถึงพื้นด้วยนะหางอวัยวะเพศเท้าแล้วก็ตรงนั้นนะแล้วก็งางวงอีกพวกนี้ไปให้คนที่มีความรู้กันแล้วกันแต่ว่าสรุปแถวแถวนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ครบองค์เจ็ดนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์เหินเหินนี่เป็นภาษาคเมนเหินเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าเหาะนะ เหินในเป็นภาษาเขมรมันก็เหินไปในอากาศได้ย่อมไม่อภิรมยินดีในถ้ำกลางเมืองย่อมอภิรมยินดีในสะชัดพันและป่าทึบณนแดนหิมะพานเท่านั้นฉันใดช้างประเสริฐคือพระโยคีนี้ก็ฉันนั้นก็ย่อมไม่อภิรมยินดีในสังขารแม้ทุกอย่างย่อมยินดีในสันติบทที่ตนเห็นแลโดยนัยว่ายินดีแต่ว่าความไม่เกิดเป็นความกเกษม อะไรนะไปดูหน้าหน้าไหนกัหน้าตองสองสองรอยี่สิบสองว่าเความไม่เกิดเป็นความเกษมความไม่เป็นไปเป็นความเกษมไม่มีเครื่องหมายเป็นความเกษมความอากรรมไม่นําไปสู่ภพหม่เป็นความเกษมความไม่ปฏิสนธิเป็นความเกษม การไม่มีคติเป็นความเกษมการไม่มีนิพัติเป็นความเกษมการไม่อุบัติขึ้นเป็นความเกษมกะความไม่มีชาติเป็นความเกษมความไม่มีชราเป็นความเกษมความไม่มีพยาธิเป็นความเกษมความไม่มีมรณะเป็นความเกษมไม่มีโสกะเป็นความเกษมไม่มีปริเทวะเป็นความเกษมไม่มีอุปาญาตเป็นความเกษมหรือว่าไม่มีอา mith ไม่มีสังขารเนี่ยนะก็คือมีแต่พนิพานมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่เป็นเครื่องล่อของ วัตะเนี่ยนะก็ยินดีมีใจโอนไปในห า, ามีใจโอมโอนไปหาอสังคต ธ, ธรรมมีใจเหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยโอนไปหาแต่ความหายไขหวังว่าจะหายป่วยอย่างคนที่ป่วยเห็นแต่ความป่วยอย่างเดียวเนี่ยนะใจก็น้อมไปหาความหายป่วยฉันใดผู้ที่เห็นสังขารว่าเป็นป่วยเป็นโรคจริงๆก็น้อมไปหาความไม่มีโรคน้อมไปหาความไม่เจ็บป่วยฉันนั้น ใจก็เลยโน้มน้อ ม, อมโอนเอียงโอนไปหาพระนิพพานโดยส่วนเดียวก็ตามสูตรนั่นแหละตามสูตรที่พุทธพจน์ตรัสบ่อยมากเลยในในสังยุตติกายมหาวารวักที่ว่าจเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะโน้มไปเพื่อการสละนะถ้าในมักมักขังยุทธเนี่ยจะแสดงบ่อยมากหรือมักควิพังเนี่ยจะแสดงเลยว่าจเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะเป็นต้นเนี่ย อาศัยวิเวกวิเวกห้าวิราค่าหานิโรธาห้าน้อมไปในการสลัเนี่ยนะปักขันธะกับบริจาคเนี่ยนะน้อมไปเพื่อบริจาควัตตะน้อมไปเองไปโอนไปหานิโรสัจเนี่ยนะก็เห็นว่าจักขุเป็นภัยก็น้อมไปหาความดับจักขุเห็นว่าโสตะเป็นภัยก็น้อมไปหาความดับโสตะเห็นว่าคานะเป็นภัยก็น้อมไปหาความดับคาณะนะชิวหาเป็นภัยก็น้อมไปหาความดับ ชิวหากายนี่เป็นภัยก็น้อมไปหาความดับกายใจนี่เป็นภัยก็น้อมไปหาความดับใจเพราะว่าบุคคลเหล่านี้รู้อยู่แล้วว่าจักขู่จักขู่สมุทัยจักขูนิโรธจักขู่นิโรทคามินีปฏิปทาเพร้นใจก็น้อมไปหาธรรมคือจักขูนิโรธจักขูนิโรธโสตานิโรธขานานิโรธชิวหากายะมโนนิโรธที่เรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธเพราะเห็นภัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็น้อมไปหา ความดับตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวอนุปัสนาเจ็ดที่ตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหน้าเบื่อหน่ายเป็นต้นเนี่ยโอนไปหาความดับตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยส่วนเดียวเ อ, อ, ยอ๊อยากดับเลยออยากดูมีตั้งหลายอย่างที่ยังไม่เคยเห็นเลยนะะมีตั้งหลายประเทศที่ยังไม่ได้เที่ยวอย่างงี้ด้วย ถ้าย่างนี้อีกนานอีกหลายคู่อย่างเงี้ยยังมีตายอีกหลายคู่นักแร่สวรรค์ก็ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเป็นต้นถ้าอย่างงี้ก็เรื่องมันยังยาวอยู่ก็นิพพานุปัสสนานี้นั้นโดยความหมายก็เป็นอันเดียวกันกับยานสองข้างต้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่าโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าโบราณ น, นี่คือใครก็คือพระอะไรนะก็คือพระอริยะสมัยพุทธกาลเป็นต้นนั่นแหละบอกว่า พยตูปทานยานอันเดียวกันนั่นเองย่อมได้ชื่อสามชื่อพยตูปทานยานนะบอกว่าเกิดชื่อว่าพยตูปทานยานก็เพราะอาจว่าได้เห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของน้ากลัวน้ากลัวจริงๆเนี่ยนะสมมติเรา ม, มองเห็นว่าเออเนี่ยตามองเห็นตาปั๊บน้ากลัวยังไงจากคูโรโครขึ้นมาปั๊บจะเห็นความน้ากลัวของตาขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมบอกฟันเนี่ยสวยบอกฟันกําลังจะล่วงอะ่ะ ก็เลิกสวยทันทีเลยนะนั้นก็เลยกลายเป็นของน่ากลัวเกิดชื่อว่าอาทีนวานุปัสนาญาณก็เพราะอัตถะว่ายังโทษในสังขารทั้งหลายนั่นแหละให้เกิดขึ้นรู้โทษสารพัดโทษของสิ่งนั้นเหมือนอย่างว่ารู้พิษภัยของยาพิษนั้นว่าถ้ากินยาพิษช้อนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยพิษอะไรจะกำเริบออกมาบ้างก็คือรู้พิษสารพัดพิษของสังขารคิดง่ายๆว่าสังขารไหนไม่นามาซึ่งน้าตามั้งมีไหม โอ้ยนี่เบาที่สุดแล้วนะมันนํามาแค่น้ําตามันนํามาซึ่งนรกนี่มันจะหนักมีอารมณ์อะไรมา้างไม่ไปนรกเอาในโลกนี่นะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตกนรกได้ไหมถ้าไม่งั้นนะนางจินจะมาอนิเวกาไม่ตกนรกหรอกเพราะไปทําใครทําพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดว่าพระพุทธเจ้าดีขนาดนั้นยังเป็นตัดใจแห่งนรกสําหรับผู้ที่ไม่ไม่แยบคาย ดวงอาทิตย์สองสว่างแต่คนตาบอดเพราะดวงอาทิตย์มีไหมมีทําไมอ่ะก็เกิดไปดูดวงอาทิตย์ในสมัยที่ไม่สมควรเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการสังขารในโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่มีหลอกสังขารที่ไม่เป็นเหตุแห่งโสกปริเทวะเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงเรียกว่ามีโทษอย่างที่พระองค์ตรัสกับพระนนท์ใช่ไหมว่าอนนท์จะประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปรยเน่านี้อันนัหรืออะไรนะที่ตรัสกับพระวักลีใช่ไหมแล้วก็อย่างอื่นอีกก็ตรัสเนี่ยนะว่า ที่ที่ตรัสถึงพิษภัยของของร่างกายอันนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสโทษมากวิปัสนาญาณเหล่านี้ชื่อว่านิพิธายานหรือนิพิทานุปาานัสนาญาณก็เพราะอัตถว่าเกิดขึ้นแล้วเบื่อหน่ายในสังขารเหล่านั้นนั่นแหละอยู่คือเห็นว่าสังขาร น, น่ากลัวรู้ว่าสังขารตัวนั้นมีโทษรู้ว่าสังขารเหล่านั้นเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนีนะพูดถึงความรู้สึกของพระอรหันต์ท่านว่าไงเนีพระสารีบุตรท่านบอกว่า ข้าพระองค์เนี่ยเบื่อหน่ายในการบริหารกายนี้เนี่ยนะเบื่อหน่ายในกายนี้เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้อาบน้ําเสร็จเป็นคนชอบแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเบื่อหน่ายเหลือเกินที่มีซากซากงูที่ตายไปหลายวันแลว้วอ่ะนะซากสุนัขที่ขึ้นอืดมาแขวนคอเนี่ยมันน่าเบื่อขนาดไหนท่านบอกว่าท่านเบื่อในกายนี้อย่างนั้นจริงๆอย่างไนี้ถ้าตั้งคาถามอ่ะเอาเบื่อในกายทำไมไม่ปฆ่าตัวตายละ่ะ เกลียดร่างกายนะทำไมไม่ฆ่าตัวตายบคุณเคยมีแผลไว้คุณชอบไหมแผลอ่ะทำไมไม่ฆ่าทำไมไปประครบประง ม, มแผลดูแลแผลทำไมก็บอกเกลียดแผลไม่ใช่หรือทหารก็ลักษณะเดียวกันท่านเกลียดกายเบื่อกาย ก, ายก็จริงแต่ท่านก็ดูแลไปเหมือนทหารผู้บาดเจ็บรักษาแผละฉชนั้นนะแล้วก็สังขารเนี่ยก็เห็นแต่ว่ามันน่ากลัวเห็นแต่ว่ามีโทษ เห็นแต่ว่าโดยความเป็นของหน้าเบอร์นายแม้แต่ภาษาริบทกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาไว้ว่าพยตุประธานนะปัญญาอันใดก็ดีอาทีนวญญายานอันใดก็ดีนิพธาอันใดก็ดีธรรมะเหล่านี้อัตตะเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเนี่ยนะพยัญชนะเท่านั้นเองแม้แต่ยานต่อไปนะพวกมุญจิตุกรรมมยตายานปฏ